หลังทรเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติการฟังเป็นแผนที่การกระทเคเรนทาเดินตามแผนที่ไปตามแผนที่ง่ายๆโดยเฉพาะกรรมฐาน มีหลักมีเกณฑ์มีที่ตั้งมีการกระทาสิ่งที่ตั้งไว้ก็มีเอาสิ่งอื่นมาตั้งไว้ก็มีถ้ามีการกระทาขนาดเดียวกันเช่นมีาาสติภาษาศาสนาภาษาบาลีราษาประเทศพระพุทธเจ้าเรียกว่าสติ อาสาบ้านเราไทยเรียกว่าความรู้สึกตัวใครใก็มีความรู้สึกตั ว, ใ ค, ค ว, ตวใครก็มีแต่ว่าเราเอาความรู้สึกตัวมาว่าในกายกายก็มีให้เป็นจิงเยียวยาเหมือนยา เมื่อสติมาอยู่กับกายเหมือนยารักษาโลกเมื่อมีความรู้สึกตัวปุถุชนคือคนเป็นโลกพระอริยบุคคลคือคนทด้หายจากโลกจากน้อยคือความสุขความทุกข์ เกิดกับกายเกิดกับใจก็เป็นโลกของกายโลกของใจเอากายเป็นสุขเอาใจเป็นสุขเอากายเป็นทุกข์เอาใจเป็นทุกข์เหมือนเหมือนกับโลกอันนี้มันเป็นสังขารนั้นไม่เที่ยงให้มีความรู้สึกตัวให้เห็นสุข เห็นทุกข์ที่มันเกิดกับกายกับใจอย่าไปเอาสุขที่กายใจก็พอใจทุกข์ที่กายใจก็ไม่พอใจอให้มันเป็นอย่างนั้นสุขคือสุขสักว่าสุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลขะทุกข์ก็คือทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลขะ สติเป็นอย่างนั้นหายแล้วรักษากายรักษาใจหายจากสุขจากทุกข์สุขทุกข์ไม่ใช่ความอิสฉะบางทีสุขทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติบัญญัติตัวเองบัญญัติแล้วก็ว่าดีพอใจบัญญัติว่าไม่ดีไม่พอใจ มันไปไกลเกินไปเราจึงมาลู้ส่าลู่แล้วสุขลู่แล้วทุกข์ลู้แล้วผิดถูกลู้แล้วควองพอใจก็ไม่พอใจลู่แล้วถ้าลู้แล้วเป็นอิสระแล้วเยี่ยาไปแล้วบรรเทาไปแล้วตาจะลักษาไปในตัวแล้ว โลกของความสุขโลกของความทุกข์อาจจะหมดไปสักวันหนึ่งเี่แรกก็ให้ยาให้ให้เหตุให้ปัจจัยให้โคบูนที่ดีเหมือนคนป่วยไม่ยากินต้นต่อป่วยไม่ยา เป็นโรคมะเร็งเก่าให้ย่าเข้าไปให้จีโมเข้าไปมันก็หายหายจากโรคมะเร็งอันโรคความโศกความทุกข์มันคือความรู้สึกตัวเป็นโอศกสัคกกตตะวาพุทธัตะลัง โอสังเนี่ยอตมังวะลังเนี่ยทั้งเตวะมนนสันนังพุทธเตเค น, ชนะนะัชตินันาฉันตุปตะวะภาษาบาดีน ะ, <c oughs> ะไม่ต้องไม่ต้งใส่ใจเอาหลักฐานมาพูดเพื่อให้มั่นควงว่าโอสถถังเนี่ยคือพุทธคือตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเป็นพุทธะตัวรู้สึกตัวเป็นธรรมะตัวรู้สึกตัวเป็นสังขา ละความชั่วทาความดีทำจิตให้บริสุทธิ์นี่เราจึงมามาตั้งเอาไว้ให้มีความรู้สึกตัวไปในกายแล้วก็มีรูปแบบตามหลักกรรมฐานมีมาตั้งแต่สอง0ันห้ารอยเก้าสิบกว่าปีมาแล้ว เร่ากายาลำประชนามีสติเห็นกายอย่าอยู่นิง่งเอากายมาตั้งอาการมาประกอบสติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบไม่ใช่ไปคิดเอาท่องเอาจำเอาไม่ใช่เรื่องจำตัวรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องจำทําให้เป็น ความจำมันเป็นการปริยัติทําให้เป็นมันเป็นการปฏิบัติปฏิบัติปริยัติเป็นสองปฏิบัติกรทําให้เป็นมันจึงมีคําพูดออกมาว่ารู้สึกตัวเราพูดว่ารู้สึกตัวเฉยๆไม่ใช่สติใครๆก็พูดได้ นี่เราเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่มีแต่จําเอารู้จำไม่ใช่รู้แจ้งไม่ใช่รู้จริงประกอบเอาสัมผัสเอาเอากายไปต่อกัแบบความรู้สึกตัวเอาใจไปต่อความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันไม่มีความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปใส่ เตีอนอะไรให้เป็นความรู้สึกตัวนั้นมีเมื่อมาตั้งไว้แล้วเอาสติมาตั้งไว้ที่กายแล้วจากรูปแบบของกรรมฐานกายานปนะุปจนนาไม่กายไม่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งงอนคู่หยุดเคลื่อนไหวให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นส่วนประกอบเหมือนการเหมือนการงานของเรา เราไปทำงานไม่ใช่เป็นนั่งเฉยๆประกอบต้นทำานาก็ลงไปเื้อนนาจับจอบจับเสียมตักดําเกี่ยวข้าวมันจึงเป็นการงานดํานาตักดําเนื้อนาของเราสี่สิบห้าสิบไร่ มีจะลอยมือลอยเท่าเราเหยียบไปให้ทั่วพื้นที่ตักข้าวต้นกล้าลงไปในดินห่างกันสามสิบสี่สิบนิ้วจนต้นข้าวเต็มเนื้อนาเพาะกรรมพราการกระทําให้มันเต็มเออมันเต็มลงไปก็มีแล้วที่นั่นก็มีต้นข้าวที่นี่นก็มีต้นข้าว นี่ตัวทำรำงานถ้าไปเกี่ยวก็เกี่ยวทุกต้นที่มีเส้นมีรวงแล้วก็เ็จได้การกรรมฐานนี่ก็ทำเอากายมาตั้งไว้ให้ลูกไปในกายโดยเฉพาะรูปแบบกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน สิี่จังหวะ15ห้าจังหวะหรือลมหายใจเข้าออกโดนจงกรมสร้างจังหวะหายใจเข้าออกแล้วแต่เราจะไปตั้งไว้ที่ตรงไดทัดใหม่ๆก็ยังไม่เป็นแต่ไม่เป็นลายบางทีก็ผิดบางทีก็ถูก บางทีก็ยากบางทีก็ง่ายอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกยากก็เห็นง่ายก็เห็นผิดก็เห็นถูกก็เห็นส ต, ติไม่ยากกับบรรลายความยากความง่ายเป็นสมุปัญญตัตจากชีวิตของเราเอง ความชอบความมันชอบเป็นสมมติปัญญาต์ที่เราตั้งขึ้นเราเองถ้าเป็นสติไม่มีสมมติปัญญาต์เป็นประมาทจจะถ้ามันโูกก็รู้แล้วเช่นั้นไม่ยากไม่ง่ายเหนือง่ายเหนือยากถ้ามันผิดก็รู้ถ้ามันถูกก็รู้แค่นั้น ไหลไปเลยเหมือนเทน้ำล่างห้องโถ و, ห้องส่วมเมื่อแต่เทน้ำลงไปลาดผลโถส่วงสิ่งสกปรกก็ออกไปหลุดไปเทบ่อยสะอาดบ่อยน้ำจะพาสิ่งที่สกปรกนี้ออกไป ฟันสุกปกติขึ้นมาแปลงฟันแล้วก็สุกปกมันก็ออกไปว่นนาน้ําล้างแล้วจติเหมือนสิ่งชาระล้างให้สะอาดให้ปกติสุกไม่ใช่ปกติทุกไม่ใช่ปกติปกติขึ้นมันไม่สุกขึ้นมันไม่ทุกมันไม่ผิดมันไม่ถูก มมนไ ม, ไม่ยากไม่ไ ม, ไม่ง่ายนี่คือปกติแต่นี้คนเราอยู่ในดงความสุขความทุกข์ความยากความง่ายความผิดความถูกความพอใจความไม่พอใจหัดตรงนี้มันก็เห็นอยู่ไม่ไม่ฟรี free. เวลาเรามีสติรู้ไปในกายกายไม่จะแสดงออก แล้นฉุกเป็นทุกข์ก็มี14สี่จังหวะวิทาทีแล้จังหวะวิทาทีหนึ่งลู้ทีหนึ่งวินาทีหนึ่งลู้ทีหนึ่งให้มันถิดตีเข้าไปตามตามสภาพทันเวลาถ้าเนิ่นช้ามันมีช่องว่างรวมลู้ไ่ต่อเนื่อง ชั่วโมงหนึ่งก็สอนสิบกว่าวินาทีถ้ารู้ได้ทุกวินาทีแล้วก็มีมากขึ้นความรู้สึกตัวยายามตรงนี้ใส่ใจการเพียนพยายามใส่ใจที่รู้ดีว่าความเพียนมือนน้ำ เงิน้ําในเล่ในนาน้ำโรต้นไม้ต้นไม้เหี่ยวแห้งเอาน้ําใส่ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมารวมรู้สึกตัวให้มันเป็นชีวิตรวมหลงมาไม่ใช่ชีวิตควมสุขไม่ใช่ชีวิตรวมทุกข์ไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมัน มันไม่เป็นอะไรไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันไม่เป็นอะไรไมิเตเห็นเห็นคือเห็นโดยความรู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยให้เห็นไปสิบสีจ่จังหวะจังหวะหนึ่งเกลื่อนไว้ทีหนึ่งวินาทีหนึ่งบา ง, งทีมันไม่ใช่รู้ การที่มันจะรูปมันเกิดความหลงขึ้นมานั่นแหละก็ดีจะได้เห็นหลงเอาหลงเป็นรูปมีเหมือนกันหลังทีเราเคลื่อนไหวมันสุขมันทุกจะโอสุกโอทุกนั่นแหละเป็นความรู้เป็นฐานของความรู้ความรู้สึกตัวได้จากความสุขความทุกข์ก็มีความรู้สึกตัวได้จากความหลงก็มีไม่ผิดไม่ยาก อย่าให้หลงเป็นหลงหลงเป็นรู้สุขเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้เนี่ยมันไม่ยากแต่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนี้เพียนตรงนี้บางทีทุกข์ถ้ารู้มันจะยิ้มยิ้มภมใจเห็นทุกข์แต่บางคนเมื่อมันทุกข์หน้าบูดหน้าวิยวไม่ชอบ กายเป็นความยากกายเป็นความง่ายไปไม่ใช่นักกรรมฐานให้ผิดเป็นผิดให้ถูกเป็นถูกไม่ใช่นักกรรมฐานจะตรงๆไม่หวั่นไหวเหมือนเวลาแทงทึบไม่เทือนเื่อลงพัดไม่หวั่นไหวหนักแน่น ถ้ามีความรู้สึกตัวถ้ามีน้อยก็ เ, เคลื่อนไหวได้ถ้ามีมากมากไม่เคลื่อนไหวมั่นคงแั้นก็นันก็หัดไปอย่างนี้ถูกตนสนตนดูแลตัวเองให้รอบคอบให้หน้าโลก เราโลกายไม่ใช่กายอย่างเดียวบางทีก็คิดว่ามันอยู่ด้วยกันกายกับจิตกายคือดุนคือก้อนจิตคือเป็นนามมันก็มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์กว่ารูป ก, กว่ากายมันพาหิวไปไหนก็ได้ถ้ามันชิดขึ้นมาตางทีหิวกับป๋ากับบ้าน ตั้งใจจะมาปฏิบัติต่อทาไปทาไปอา้าวมันคิดขึ้นมาไห้พอใจไม่ชอบปุ่นน่นดีกว่านี่ดีกว่าหิวไปตายบาทกับบา้านตายกระเป๋ากับบา้านเป็นยาหอบเสียวหอบศาสตร์ไปโน่นไปนี่ลองอยู่เป็นที่เป็นทางลองดู เหมือนพระพุทธเจ้าก่อนตัดชะลูใครจะเจงเหมือนพระ เ, เจ้าเอามาเป็นบรุรโอมกูเอายญ้าคาปูวนต้นจีมหาโพธิพรมประไวายให้ไม่รู้จะให้อะไรไปเกี่ยวย่าคาเดินผ่านมา ังแม่น้ำในลันชลาืิรธาเดินไปเห็นเป็นหน้าเลื่อมใสเลยถวาย้าคาห้ากมรเท่าไหร่จะมาได้ห้ากมอหรือเจ็ดกมรนะพระเจ้าว็าถือเอาไปไปปูนั่งใต้ต้นฉีมหาโพพุทธคยาเท่าทุกวันนี้ ในวัฒนจิรายังมีอยู่ก็ต้องสติจะนั่งที่นี่จะไม่ลุกถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะเลือดเนื้อเหงื่อเอ็นกระดูกระ่ผ่พังไปข้อตามจะไม่ลุกหนีจากที่นี่เนี่ย อะไรเป็นอย่างนั้นมีนความมั่นใจว่านี่แหละอาจจะนั่งตรง น, นี้อะไรนั่งกายมันนั่งอาจศึกษาตรงไหนนายพระสูตรเพียงบอกว่าการคู่แเขียนเข้าการเหยียดเขียนออกให้รู้สึกตัวคู่แเขียนเข้ามาเหยียดเขียนออกไป ลูบแขนเข้ามาเหยียบแขนออกไปบังที่ก็หายใจเข้าหายใจออกบางทีก็มือมาจับกี่วรรู้สึกตัวมองไปข้างซ้ายมองไปข้างขวารู้สึกตัวงูเลื่อยมามองเห็นงูรู้สึกตัวกกวกวลกววกัวไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวเห็นงูความร้อนความหนาวเกิดขึ้นรู้สึกตัว ฝนตกรู้สึกตัวแดด อ, อกรู้สึกตัวลมพัดมารู้สึกตัวไม่มีหลังคาหม่องหวันพวกเรากระดานพื้นผ้าพูนั่งก็ไม่มีนั่งยาคาปวดเหยบปวดน้องนั่งทับขาขัาา้วครับขาซายขาเมื่อขั้วทับเมื่อซ้ายหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัว เจตนาที่จรู้ตรงไหนรู้ตรงนั้นบางทีไม่เจตนามันคิดขึ้นมาอันความคิดไม่เจตนาคิดถึงเพียรภารู้สึกตัวคิดถึงละหนุนรู้สึกตัวคิดถึงพระราชสมบัติทรัพย์สินสะดึงคานรู้สึกตัวคิดถึงปัสสาวสาวฤ ด, ดูเปรียบเทียบกับสีมโพร้าไม่ได้รู้สึกตัว ที่ถึงเสสนงกำนานในรู้จักตัวกับมามีเหมือนกันใครๆก็มีนั้นเปืดอเพื่อนอะไรมาเคยคินอะไรมาบางทีหอบความโกรธมาด้วยหอบความสุขหอบความทุกข์มาด้วยเกลียดชังใครยังมาฉายให้ดูคิดขึ้นมา พอใจชี้นมาไม่พอใจให้ความพอใจให้ความไม่พอใจหลอกแกลงให้เป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเข้าไปมันจะไปไหนมันไม่ใช่ขีช่างขีม้ามากิเลสพันห้าตนายร้อยแปดมันมาจากไหนมันเกิดจากใจที่มันคิดขึ้นมาความคิดมันเป็นอารมณ์ไม่เป็นรุ่นเป็นก้อน ไม่ใช่เอาคนเอามีดมาฟันมาทิ่มมาแทงเราให้มั่นคงนี่คือกรรมฐานสิบสีจังหวะอาจารย์ต้องสืบอาจารย์วัชชัยจะสอนจะเป็นเพื่อนโลกเราจะเป็นเพื่อนไม่ว่าเวไม่เปียวเดียวดายก็เยี่งอยู่จะพ่อผู้หญิงผู้ชายอยู่พ่อผู้ชาย นี่พระสงฆ์นั่งพูดอยู่นี้จริงๆไม่ใช่คนเดียวนั่งอยู่นี่นี่พระสงฆ์เป็นลูกอยู่ทุกวันนี้สมัยพระเจ้าก็นุ่งอย่างนี้คนผมอย่างนี้ตัวสุกวาสิกาไม่ชีสํานักชี้พามก็มีอย่างนี้ก็นั่งนี่พระสงฆ์นั่งอยู่นี่ตัวสุกวาสิกาก็นั่งอยู่น้น ก็มีจริงจริงมีหลักฐานสิ่งที่พูดอยู่นี้ก็มีอยู่กับเราไม่ใช่เล่านิทานเล่านิยายพูดเรื่องคนใครเป็นคนอยู่นี่ยหรอยกมือขึ้นดูซิยกมือถ้าใครเป็นคนน่ะยกมือขึ้นถ้าใครไม่เป็นคนเป็นหมูเป็นหมา อ, อ, อย่ายกมือยกมือขึ้นายกาขึ้นได้มี่เป็นคนเหลือก นี่คือคน <Okay. S 1> คนเรามีอะไรมีกายมีใจมีไห ม, มกายมีไหมไ <Yes. S 1> หนแขนขวายกมาขึ้น <c oughs> กำมือดูชีรู้ไหมรู้ไหมเอารู้ขอใครความรู้สึกตัวขอใครขอใครมาฮะพ่อแม่ให้มาหรือว่าอาจารย์ให้มา ลู่เดี๋ยวนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวนี้ได้ไหมรหรือพวุงนี้ จ, จะอูลูกกำ ม, มืออยู่เนี่ยนี่เอามือลงมีขาเนียกายมีใจเ่อเราก็มีปัญหาเรื่องเนี่ยมือไปทำอะไรปากไปทำอะไรจิตใจไปคิดอะไรรับใช้อะไรกายใจเราเนี่ยทาไมไม่หลับใช้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ความสุขนอนอยู่กับเราให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนบางทีความคิดเฉยๆก็นอนไม่หลับในล่ะจะจะได้เห็นมันเห็นมันมันคิดขึ้นมารู้สึกตัววันสุขรู้สึกตัวก็เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราเนี่ย เป็นของที่ทําได้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้เวลามันหลงรู้สึกตัวไะเลวลามันสุขรู้สึกตัวให้ผลได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นถูกก็ไม่เปลี่ยนไม่ใช่ปฏิบัตินั่งงงุนคน ค, นคิดปล่อยความคิด ไหลไปนั่นไม่ใช่ปฏิบัติเป็นคนเกียรค้านภิกษุไม่ขี่วะสุวะจิการหมกุ่นคุณคิดในลมที่คุณคิดไม่รู้จักสละความคิดออกไม่มีสติถือว่าบุคคลเกียดติค้านภิกษุใดวะสุใดวะิกาใดเมื่อเธอคุณคิดจอสลัดความคิดออกมีสติรู้สึกตัวหรือว่าเป็นผู้ขยัน นั่นขยันตรงนี้ขยันเปลี่ยนหลงเป็นลูกให้มีความลู้ต่อเนื่องเป็นหน้ารอบเอาไว้นี่กรรมาฐานเป็นอย่างนี้ปัจจัตตังเป็นของใครของมันทาเอาเองทำให้กันไม่ได้แม่รักกันขนาดไหนก็ให้กันไม่ได้เป็นส่วนตัว จเป็นต้องมีที่อย่างนี้ชวนมามีที่ให้อยู่บ้างตามอัตว่าบองที่ก็มีข้าวให้กินถ้าไมาต้องคิดว่ากินยังไงจะนอนยังไงโสตายนั่นะอสอจอสอจสอจคนดีใช่พวกมาด้วยกับพวกเราโสตาย ล้วหลงไม่ตายหลงตายสี่สิบห้าสีปีไม่ตายยังไม่ตายแต่มันตายไม่ใช่ตายเพราะกรรมฐานมันตายเพราะอันดื่นมันตายไปแล้วทั้งนั้นเคยตายเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้เสียงก็ยังไม่ดีดีไหมฟังลูกไหมอ่าก็ยังพอใช้ได้ตอนเช้าแต่ส า, ายๆไปสักหน่อยไม่มีเสียงไม่มีเสียง ก็มันก็เป็นอย่างนี้ไม่เทียงแต่จริงที่มันไม่เป็นอะไรมีอยู่คือกรรมฐานมันเห็นเห็นอะไรเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับกายกับใจจบแล้วจบแล้วจบจริงๆนี่คือสุขรู้แล้วนี่คือทุกข์รู้แล้ว น, น, นี่คือเจ็บดูเร็วนี่คือปวดดูเร็วนี่คือเจอดูเร็วนี่คือตายดูเร็วบางคนจะไม่เห็นความตายน้องตาตายมารูแล้วแค่นั้นเองนะเห็นมันหนายใจไม่ออกหายใจไม่ได้สูดลมเข้าครั้งที่หนึ่งไม่เข้าสองครั้งก็ไม่เข้าสามครั้งก็ไม่เข้าสี่ครั้งไม่เข้า น้ำ้ายภูมปากดูมันอย่างยอดเยี่ยมเมืจับจมือมาเช็ดน้ำลายยกมือไม่ขึ้นหนอจับมือไว้เนี่ยพวกหมอเทพธิดาของเราเทพประวดของเราถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่รอดตาเหลือกขึ้นมาหลับไม่ลงดูดูด รู้อย่างปล่อยรู้อย่างจะวางรู้ไม่ใช่รู้แบบเพียต่อต่อมันหลับตาไม่ลองรูตัวเองก็ไม่น่าม่น่าอยู่ใช่ไม่ได้แล้วเมื่อหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องหายใจมันละไม่ได้ไปสุขพราหายใจไม่ได้เป็นทุกข์พรหายใจไม่เอาลมหายใจมาต่อรองกับชีวิตเราชีวิต ต้องเป็นชีวิตไม่เป็นอะไรคือชีวิตว่าไม่เป็นอะไรคือชีวิตมันเริ่มตั้งแต่เห็นกายสวรรค์นี่ไปจากนี่ก่อนแยกทางไปไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเแยกไปแล้วถ้ากายเป็นตัวเป็นตนถ้ากายเป็นกูกูร้อนกูหนาวกูหิวกูปวดกูมืย ยังไม่แยกยังอยู่ต่เห็นมันจักว่ากายแยกไปแล้วอนหนึ่งมันทางตันเป็นละมันตันถ้าเห็นแล้วมันผ่านทางผ่านทางผ่านแล้วว่าอธิกิมมรมะปฏิปทาทางตันแล้วว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไปไหนไม่ได้อยู่ในโลกไปไหมพวกเรา หลวงตาจะบอกว่าพุทธเจ้าจะบอกว่าเห็นสุขไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันยากไม่เป็นผู้ยากเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อ น, รนเห็นนในตัว่ามักมักคือเห็นถ้าเป็นเป็นทางตัน เป็นอัตชีมัถายโยเป็นกรรมจุันิการุยโยผิดทางเป็นสุขก็ผิดทางเป็นทุกข์ก็ผิดทางเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เป็นมันยากกว่าเห็นเป็นอใกล้หัดจยางนี้หัดจยางนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เราก็เป็นของเราเองเราจะตายก็เราจะตายของเรา เ, เราเจ็บก็เจ็บเอง เราหายใจไม่ได้ก็หายใจไม่ได้เอาเองนะเออต้องเห็นอย่างนี้ยไปแยกไปแยกไปหนึ่งวันเจ็ดวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องน้อยต่อสมถูกเนยไม่นานถ้าเห็นนะไม่นานพระเจ้าน่ยคืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นเองหลังจากตัดถึงใจ แม่เลือดเงื่อกระดูกขพรพโปงไปก็ตามจะไม่ลุกจากที่นี้ถ้าไม่ได้บรรลุโภธิยานเนี่ยมันเห็นอย่างเนี้ยอาหมาสษาเห็นกายเห็นเบชนาเวตาสุขทุกข์เห็นจิตเห็นธรรมความพอใจความไม่พอใจลู่สึกตัวไปแยกไปลุดออกไปลุดออกไป เมื่อบรรลุตั้งแต่ต้นก็หลุดไปเรื่อยๆไปไปถึงน่นมันก็กอทุบก่าเถืองไปเห็นการเกิดการแจ๊การเจ็บวันตายป๋อยี่สิบลวันไม่มีใครเจาะไม่มีใครแจไม่มีใครเจ็บ ไ, ไ, ไม่มีใครตายเป็นธรรมชาติเป็นอาการรวมล้อเป็นอาการของลูก ความหนาเป็นการของลูกควาปวดความเมื่อยเป็นการของกายของลูกความสุขความทุกข์บางทีมันเกิดจากความคิดความรูปขวามนามมันเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปทําเป็นนามธรรมไม่มีใครเป็นอะไรไม่แต่เห็นมันตามความเป็นจริงเนี่ยนี่คือชีวิตเราเราได้ชีวิตเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ไรชีวิตเพราะ ยืนเป็นนั่งเป็นนอนเป็นพูดเล่นตกคำดุคำชั่วได้ไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตของเราคือมันไม่เป็นอะไรเราะเริ่มต้นจากความรู้จักตัวเนวเมื่อทำพระผู้มีภาคเจ้าตัดไปอยู่แล้วทุกคนมีแล้วความรู้จักตัวเวลามันหลงมันก็หลงเอาเองเราก็รู้เองตัวปฏิบัติต้องศึกษาด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้ใครทำให้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนั่นหลงเวลาใดเปลี่ยนหลงเวลานั่นเป็นตัวรู้ไม่ใช่หลงวันนี้พวกนี้ค่อยเปลี่ยนไม่ใช่แล้วมันหลงก็ไม่เลือกเวลาเวลาไหนก็หลงได้นอนอยู่ก็หลงหลราไปก็หลงจนว่ากลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดนั่นก็หลงแต่กลางวันนี้ ถ้าวันนี้หลงพผู้นี้ก็หลงถ้าผู้นี้หลงเดือนหน้าก็หลงแล้วเดือนหน้าหลงปีหน้าก็หลงถ้าปีหน้าหลงชาติหน้ามันก็หลงจะว่าอย่างไง <c oughs> เพราะนั้นแต่แค่ตรงไหนะปัจจุบันนันจะคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เมื่อไหร่ปัจจุบันนันจักโยธรรมมติธาตราวิปัสสติ ในสติโลกปัจจุบันเห็นเฉพาะหน้าความหลงก็ไม่เลือกเวลาความสุขความทุกข์ไม่เลือกเวลาเราก็รู้มันทุกโอกาสมันพอดีกันมาด้วยกันมีความมืดมีความสว่างมีความสุขมีความทุกข์มีความผิดมีความถูกมีความแก่มีความไม่แก่ มีความเก็บมีความไม่เก็บมีความตายมีความไม่ตายมาเป็นคู่ก็ชีรถาเห็นอย่างนี้เห็นปัญหาเห็นการเกิดการแชกการเจ็บการตายถามพระเจ้าปู่พระเจ้ายาพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตกชีรถาเป็นเจ้าผ้ า, ายจ เอาเรื่องนี้เป็นโจทย์ท่องตัวเองแล้วก็เสียต่หาโอกาสตอบเรื่องนี้ให้ได้ถ้ามีความเกิดมันก็ต้องมีความไม่เกิดแน่นอน ถ, ถ้ามีความเจ็บถ้ามีความแก่ก็มีความไม่แก่แน่นอนถ้ามีความเจ็บก็มีความไม่เจ็บแน่นอนถ้ามีความตายก็มีความไม่ตายแน่นอน เราจะต้องศึกษาเรืนี่อายุยี่บเก้าพรรษาออกศึกษาเรืนี้ ท, ทันทีไม่มีอันเดินไม่มีเรื่องอื่นที่ทำไมออกศึกษาหนีจากพระราชสมบัติหนีจากปราชาสามรูไปปรึกษาหาเอกับพิมพาเราหันไปนเกิดใหม่ ไม่ใช่นรักนี่ว่าเพียงภาคนรักลาสีรัต tha ีรัต t คนรักเพียงภาพราะคนรักกันทั้งสองคนเน่ยมันยังแคบเราวสองคนจงมารักคนทั้งโลกให้ได้ศึกษาเรื่งนี้กันเถอะเสียฉละกันไม่มีใครที่ศึกษาเรื่อนี้หรถ้าเราไม่ศึกษาถ้าเรามาช่วยกัน ติมาก็โอ้ยยังยังไม่แข็งแรงเป็นประสูตรโอรสใหม่ใหม่ได้เจ็ดวันเท่านเองให้แียงแรงควนี้สักหน่อยก็ออกไปรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วอย่าต่อรองเลยเสียสละกะ็เตือพวกเราคุยกันคนที่สุด จัดจิใจเขี่ยเอาเถอะเสดดพี่เอาเถอะเสดดพี่พิมพาจะดูจะดูแลลาหวนอย่างดีเขี่ยไม่ใช่ลักหนีนะแต่ภาษาพะติปโดของพิรวาดนะว่าลักหนีแต่มหายานไนะคุณ ไม่ได้รักหนีนะเอาวอเอนเจิตื่นขึ้นมาเจ้าโทธระไม่เห็นเทถะถามโมยหวขึ้นมาอมมาตไม่เห็นใครๆก็ไม่รู้มากันแล้วก็หายไปและเจ้าโทธระก็ระวังอยู่แล้วตั้งแต่ ประสูตว่าถ้าออกกวดจะได้ตัดสะลุเป็นพระเจ้าถ้าไม่ออกกวดจะเป็นพระเจ้าจักรพัฒนิคนคนนี้เจานน้าโทนก็ก็สงวานาไว้ระหวังอยู่สร้างบระสาสามโลหาออคาเมสีมาให้ให้มีความสุขก็ธรมให้เยอบุอยไาย เจยใจตกใจให้ทางนั้นทานั้นตามหาเหลีวที่สุดหน้าตัวไหนพิมผีเท่าดีหามาขี่นะไปดูมากกันและะ้วกผีเท่าดีหาย ไ, ไปแล้วไม่เห็นแล้วแล้วเราก็ตกใจใหญ่ไปถามพิมพาพร์พิมพานั่งกอดลาหอนอยู่พิมพาก็นั่งน้ําตาซึมๆนะ สจอจ่อไปให้ไปไปโกดพิมพาถามจิทธาไปไหนพิมพาก็ว่าในว่างไปเฉล้วกับกันทะกะกับนายฉันทะอโอประตูด้านไหนไปด้านทึกไปอะไรนะ่ะไปตามเคล้นมา ไม่ต้องไปตามก็ได้ดอกสิริปู๋ไปตามก็ไม่คืนดอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดพูดกันแล้วพูเธออามุสนาเธออ่านั่นเนี่ยปัญหาเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าพเพราะอัจฉระการเกิดการแจอการเจ็บกวนตาย พุทธศา ส, สนาเกิดจากเดิงใ น, นไม่ใช่พิธีรีตรองอ้อนอนกรรมฐานเท่านั้นที่จะรู้เรืเนได้ไม่ใช่เป็นเรียนสงสูงจบปเปลี่ยน 9, เก้าเดือนสิบไม่ใช่เป็นภาษาป ร, ริยัตปฏิบัติต้องเนี่ยจะไปท่องทําไมสติความเลือกได้ชำชัญญะความโลดตัวไม่ต้องไปท่องเนี่ยก็ายเคลื่อนไหวโลดสุดตัวโลดสุดตัวเนี่ยกาย ใช่ไหมกายใช่ไหมเนี่ยนี่กายรู้สึกตัวยกมาเคื่อนรู้สึกเอวังก็มีด้วยประการชะเน่กับพระป้องกัน